เอาใจข้าพเจ้านี่แหละเขาว่าว่างันนะนะผิดถูกอยู่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอันนเอาแต่ข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้ายามราคะเกิดข้าพเจ้าก็คิดอย่างหนึ่งยามข้าพเจ้าโทสะเกิดข้าพเจ้าก็คิดอีกอย่างหนึ่งยามข้าพเจ้าโมหะกรุ่มรุมเนี่ยนะหน้ามืดตื้อไปหมด ข้าพเจ้าก e ็เป็นอ sure? ีกอย่างหนึ่งตอนที่ข้าพเจ้ามีศรัทธาข้าพเจ้าก็คิดอย่างหนึ่งตอนที่ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าก็คิดอย่างหนึ่งตอนข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าก็คิดอย่างหนึ่งตอนรู้กลิ่นก็คิดอย่างหนึ่งตอนรับรู้รสก็คิดอย่างหนึ่งตอนก่อนหิวก็อย่างหนึ่งตอนหิวก็อย่างหนึ่งตอนทานก็อย่างหนึ่งอิ่มมาแล้วก็อย่างหนึ่งก่อนนอนก็อย่างหนึ่งกําลังนอนก็อย่างหนึ่งตื่นนอนเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง กายกรรมก็อย่างหนึ่งวจีกรรมก็อย่างหนึ่งมโนกรรมก็อย่างหนึ่งกลางวันก็อย่างหนึ่งกลางคืนก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะปฐมมวัยก็อย่างหนึ่งมัชชิมวัยก็อย่างหนึ่งปัจฉิมวัยก็อย่างหนึ่งตอนสุขภาพดีก็อย่างหนึ่งสุขภาพเสียก็อย่างหนึ่งแล้วจะเอาข้าพเจ้าตัวไหนดีล่ะเนี่ยเอาข้าพเจ้าขณะไหนพอจะเป็นสาารณะเป็นที่พึ่งได้บ้างพอที่จะเชื่อใจแม้เชื่อใจตัวเองมากที่สุดถามเธอใจประเภทไหน ใจมีราค้าหรือปราศจากราคะใจมีโทสะหรือปราศจากมโมหะหรือเอาใจที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญามันแสงหิ่งห้อยหรือว่ามันแสงประทีปหรือมันแสงดาวแสงเดือนหรือแสงอาทิตย์เนี่ยนะบอกเชื่อปัญญาของข้าพเจ้าเนี่ยปัญญาเนี่ยมันมีหลายประเภทเอาปัญญาระดับไหนเอาปัญญาระดับสูตรตมา ย, ยาญาณจำได้หลงหล ง, ล, งลืมลมจำหน้าลืมหลังจำซ้ายลืมขวาจำตรงกลางลืมข้างหัวข้างท้ายไปหมดเนี่เอาไงกันแน่ เออหรือจะเอาสูตรตรามยาปัญญาเอาสีลมัมมายปัญญาเอา ม, าญญามันยังไงก็ไม่รู้ให้มันแน่หรือเปล่าความรู้สีลนนะหรือเอาสมาธิภาวนามยาปัญญานั่งอยู่แป๊บเดียวคิดได้ตั้งยี่สบสมสิเรื่องไม่ใช่สมาธิแล้วฟุ้งซ่านจะชัดเหมือนกันแล้วเอาใจที่เป็น กำหนดปัจจัยเอาปัจจยบปริฆายานสัมมสนยานอุทยพยาัญยานเอาปัญญาที่รู้เหตุเกิดความดับเอาปัญญาที่รู้แจง้งแทงตลอดอริยสัจไหนไหนก็จะเชื่อใจตัวเองแล้วมันเอาใจประเภทไหนก็เอามาคุยกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดูนะจะเอาอะไรเข้าว่าเนี่ยก็เราเอาอะไรเป็นความมั่นใจของท่านท่านมั่นใจเพราะอะไรเอาใจไหนในบรรดาจํานวนใจทั้งหลายมันก็ต้องมาคุยกันดูอีกครั้งหนึ่งก็ ว, ว่าเพื่ออะไรนะทบทวน ที่จริงอ่ะทบทวนไอ้แบบที่จริงอโอกาสช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทบทวนดีอ้างเอาปีใหม่มางั้นปีใหม่อะไรฉล า, าขึ้นทุกวันเลยนะเพราะความชาราใหม่ๆก็ไหลเข้ามาเยือนเข้าไปอีกแล้วเนี่ยในนี้ใช่มันก็มาเช็กมาสํารวจตรวจสอบให้ดูว่าเราจะเอายังไงกันแนะ่ชีวิตของเราทั้งหลายบอกถ้าจะเอาพระพุทธเจ้าเข้าว่าเออแล้วพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรและอะไรทําไมเราจึงมั่นใจพระองค์เหลือเกินเนี่ยนะมันก็ต้องตอบให้ได้ทั้งหมดถ้าตอบไม่ได้เสื่อมแน่นอน จริงอยู่วันนี้อาจจะยังไม่เสื่อมพรุ่งนี้ก็เสื่อมความเสื่อมมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนกับอายุและสังขารทั้งหลายมันเสื่อมฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เสื่อมน่ากลัวเนี่ยนะความเสื่อมด้วยร่างกายไม่น่ากลัวเสื่อมเพราะโรคภัยก็ไม่น่ากลัวเสื่อมจากญาติก็ไม่น่ากลัวเสื่อมทรัพย์สินก็ไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความเสื่อมศรัทธาต่อพระัตนะไตรน่ากลัวที่สุดเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราเชื่อคนอื่นทันที เพราะคนเราเนี่ยนะมันน้อยนักที่มันต้องเชื่อคนใดคนหนึ่งเชื่อความคิดที่เราคิดนะทุกความคิดของเราเนี่ยเราอ้างอิงบุคคลบางคนอยู่ในใจลึกๆอยู่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยแยกออกหรือเปล่าว่าคาเนี่ยเรามาจากใครจำแม่นขนาดนั้นไม่ล่าว่าแวบเนี่ยคิดขึ้นมาเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังที่เรียกว่าเบื้องหลังทุกความคิดเนี่ยมีนะ ใครว่าประตูป่านิสยะใจบุคคลโพชนะอุตุเสนาสนะเป็นต้นเนี่ยมีมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในทุกความคิด เบื้องหลังของความคิดของเรานี่คือใครขอให้เป็นพระพุทธเจ้าเถอะว่างั้นนะ่ะถ้าพระพุทธเจ้าก็ปลอดภัยเรียกว่าคนมีสารณะนะนแต่ธรรมดาทั่วๆไปนี่ไม่มันต้องอ้างอิงเสมอนี่แหละเพียงจะเอ่ยปากหรือว่าอ้างอิงใครอยู่ในใจหรือไม่ผู้ร้ายปากแข็งหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่จริงๆมันอ้างอิงอยู่ตลอดบางคนก็อ้างอะไรอ้างครอบครัวอ้างหน้าที่การงานในที่สุดนี่วิธีการง่ายที่สุดเขาว่ามายกให้เขายกให้ดินฟ้าอากาศไปเลยนั่นนะ ยกให้ภูเขายกให้อะไรโน่นยกไปโน่นยกให้เขาละไม่ยกให้หัวให้ตัวละยกให้เขาไปเลยถ้ายกให้เขาอ่ะเขาไหนมันยังไงยังไงใจของเรามันต้องอ้างอิงอยู่แล้วมันเราจะไปคิดว่าเราแหมฉันเนี่ยบุคคลพิเศษบางคนนี่อ้างอิงตําราตําราแล้วโรงพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วใครเป็นคนพิมพ์มันก็ต้องมีคนเน่ะถึงจะอ้างอิงตําราอ้างอิงอะไรก็ช่างมันก็คืออ้างอิง บุคคลทั้งหลายทั่วไปฮัลโในบรรดาบุคคลที่เลิศพร้อมทั้งโลกและเทวโลกมารโลกที่เราควรอ้างอิ ง, องที่สุดคือใครเนี่ยนะเราก็ต้องมาค่อยๆกาหนดทิศทางให้ดีๆถ้ากําหนดทิศทางเหล่านี้ไม่ดีเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้ขู่นะเล่าให้ฟังเนี่ยนะที่จริงอะนะเขาบอกว่าโยอมเขาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคนที่รู้เอ่อคนที่กําลังจะตายแล้วรู้ตัวว่าตายหรือดีหรือว่าไม่ควรรู้ตัวดีสม Или มุติเราพายอีกสามวันเราจะตายสมมตินะ คิดง่ายๆว่ถ้าพวกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วอีกสามวันเราจะตายสมมุตินะไม่ได้แช่งเล่าให้ฟังสมมุติทีนี้ถามว่าเราควรรู้ก่อนหรือไม่ควรรู้ก่อนอันนะก็แล้วแต่ใครอ่ะนะแต่เขามาบอกว่าเ้าเข้ามารู้ก่อนมัยจะดีจะได้เข้าศีลจําศีลรักษาศีลจะได้ปลอดภัยน่ะน่ะ มันจะได้เจริญกรรมฐานจะได้ฟังธรรมจะได้สันเซิลพรนะรัตนจะได้จะได้อะไรก็ได้ครับเรานะก็เหมือนกับว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเราจะเดินทางเนี่ยเราควรรู้ตัวก่อนหรือไม่ควรรู้ตัวก่อนอนะรู้ก่อนควรรู้ไหมว่าใช้ยานพาหนะชนิดใดไปพักที่ไหนอย่างไรบอกควรจะรู้ก่อนมันดีที่สุดถ้ารู้ว่ามันธุระกันดารก็จะได้เตรียมสเสบียงไปให้พร้อมเนี่ยนะถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องค้นย้ายไปให้มันหนัก ชั้นใดก็ดีเนี่ยควรรู้ก่อนว่าเราจะเดินทางชั้นใดก็ดีศรัทธาของเราที่มีอยู่นะเราควรรู้ว่ามันคืออะไรมันกําลังเจริญขึ้นหรือมันกําลังเสื่อมลงวิริยะที่เราขยันอยู่เนี่มันขยันถูกหรือมันขยันผิดหรือขยันโง่เนี่ยนะยัเคยรู้จักเข้าใจไหมไอ้คำว่าขยันโง่บางคนเขาไม่เข้าใจหรอกถ้าเป็นผู้บริหารจะรู้เรื่องบางคนเนี่ยถ้ามันอยู่นิ่งๆนะมันดี มันขยันเมื่อไหรคนอื่นเดือดร้อนหมดเลยเนี่ยนะไปช่วยสร้างปัญหา ใ, ให้คนอื่นไปหมดเลยเนี่ยเ e ขาเรียกว่าพวกขยันโง่งขยันแล้วสร้างแต่ความเสียหายเนี่ยนะขยันจับข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะเช่นขยันจับแก้วแก้วก็แตกขยันจับอะไรคือจับอะไรมันเสียไปทุกเรื่องนะอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันดีคนประเภทนี้เขาเรียกว่าขยันแล้วสร้างความเสียหายหา ย, ยิ่งขยันยิ่งหมดตัวเนี่ยคนเหล่านี้มีไม่ใช่น้อยพันเขาเรียกว่าขยันโง่เขลาเนี่ยนะพันเขาเรียกว่าวิริยะนั้นขยันถูกหรือขยันผิดเพี้ยนถูกหรือ เพียนผิดเป็นต้นขยันอ่านหนังสือจริงๆเลยแต่ว่าไม่เปิดไฟอ่านคืนเดินเมือ่อแล้วก็ใช้ไฟทูบเนี่ยมาค่อจุดแล้วอ่านหนังสืออย่างไงขยันแบบนี้ตามันยิ่งเสื่อมเข้าไปทุกที่ทุกทีนั้นความขยันเนี่ยสมมติว่าเราเดินถูกทางเนี่ยแล้วเดินผิดทางอันไหนควรขยนันอันไหนควรงูถ้าเดินถูกทางควรเร่งควรภาคเพียนควรขยนันเพราะมันถูกทางแล้วถ้าเดินผิดทางล่ะโง่เขลาดีที่สุดท่านก็บอกว่าในปาษาที่กะสูตรกล่าวว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมวินัยที่าศาสดาผู้โง่เขลาสอนที่บุคคลไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเขาบอกว่าขี้เกียจนี่มันดีที่สุดจะได้รับคําชมโดยประการต่างๆโอ้ดีแล้วที่ท่านขี้เกียจที่ท่านไม่ทําตามเอาทำไมอะ่ะก็าาศาสดาของท่านไม่ดีจริงเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ทั้งหลายก็เหมือนกันเราควรจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราที่เรานับถือเนี่ยพระองค์มีคุณอย่างไรอะไรเช่นใดและพระองค์ช่วยเราตรงไหนได้บ้าง น, นะมันมันจะต้องรู้จักอ่านรายละเอียดเท่าความความเข้าใจในรายละเอียดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ทราบแต่ของมาในชีวิตเนี่ยอยู่กับการศึกษาในเส้นทางสายนี้เนี่ยนะเรียกว่าอาจจะโดยอายุอาจจะไม่มากก็จริงแต่ว่าสนใจในเส้นทางสายนี้เป็นพิเศษเนี่ยนะเพราะอุย้ยเมื่อก่อนเนี่ยไปที่ไหนอรหันหมดขอให้เนี่ยนุ่งห่มปอนๆหน่อยอริยะเจ้าหมดโอ้ยกราบเลื่อมใสสนิทใจมากเออพอเราพูดแล้วทาไมท่านพูดแล้วทาไมมันขัดใจเราะ มันขัดหูอะนะคะว่าขัดใจนี่มันขัดหูทําไมทําแม่งทำแม่งอย่างนี้ไม่รู้แต่ก็มั่นใจว่า น, นี้มันเออมันดีที่สุดแล้วเอาเข้าจริงๆไอ้เหมือนก็ไม่ใช่อีกแล้วอย่างไงคือมันเป็นอย่างเนี้ยชีวิตหนึ่งขชีวิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะที่ศึกษาในเส้นทางสายนี้ก็เรียว่าเดินทางสายนี้เขาตั้งคำถามว่าเกิดมาทําไมบอกมาหาพระรัตนตรเนี่ยนะว่าพระรัตนตรัยอยู่ที่ไหนก็ไปเท่าที่จะไปได้เนี่ยนะเท่าที่กําลังความรู้ความสา ม, มารถสติปัญญาที่จะ พาไปได้เนี่ยก็ไปไปเพื่ออะไรก็เพื่ออยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นเหล่านั้นนะ่ะคืออะไรแต่ก็ยังดีว่ามาจบลงที่พระไตรปิฎกก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยถ้าไม่จบลงที่ไตรปิฎกไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อในภพสามกำเนิดสี่แต่เชื่อเหอะมันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรอกทำให้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับรองตัวเองได้เลยตกนรกแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นตี่ยนะพันเอร์เซก็ได้อา่าว่านเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ผิดเหมงอนกันเถอะ เพราะอะไรเพราะเราไม่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไปนับถือใครก็นับถือคนพานทั้งหลายถ้านับถือคนพานทั้งหลายจะไปไหนเพราะคนพานไม่เคยสอนเราทำสุจริตหรอกเรามานี่ฟังแล้วไม่สบายใจเมื่อได้ข่าวว่าผู้เป็นผู้นําชักชวนบริวารทําอกุศลไม่ว่าจะเป็นปานาติบาต์อธินาธนาธานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพระสวาจาสัมผัพปลาปะ ชักชวนการเจริญอภิชาพยาบาทหรือมิจฉาทิฏฐิก็ตามพันผู้ที่เป็นหัวหน้านั้นเกิดมาเพื่อล้างผลาญประชุมชนเกิดมาเพื่อทําลายประชุมชนที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวให้ใครไปแตกแยกกับผู้ใดแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เรานับถือดีจริงไหมนะถ้าดีอยู่แล้วก็ควรที่จะสนับส น, นุนควรที่จะส่งเสริมควรที่จะอนุโมทนาถ้ามันผิดพลาดแก้ได้ก็แก่ นะหรือว่าจะไปรอแก้วันไหนถ้าหากว่าเราไม่กําหนดทิศทางให้ดีๆเนี่ยแม้โลกเนี่ยนะคิดว่าอะไรมันจะวนเท่ากับวังน้ําวนคิดว่าแล้วก็มีอยู่สูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าอะไรที่มันจะรกมันจะชัดมันจะยุ่งเท่ากับหมูสัตว์ไม่มีเอกแล้วเหมือนอะไรนะเหมือนรังนกบางกลุ่มรังนกบางอย่างเนี่ยนะหาหัวหาท้ายไปหาสิหาตรงไหนหรือได้ที่ที่เอามากระจุกได้เนี่ยนะกระจุกได้ถ้าช่างหูก เ, เข้าใจได้ฟังไง กระจุกได้แล้วก็เอามาราดราดไหราดน้ําข้าวก็คือราดก้าวเอาก้าวกาวลาแทกเนี่ยมาราดลงแล้วก็ให้หนูกัดสะสางดูเถอะสางยังไงอ่ะมันสางยากฉันใดชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันในทุกทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสางยา ก, ยากเหมือนกนะันนะอันเนี้ยเอาถือเอาทวารตาเอาตาเราเข้าว่าเนี่ยเอตาเราเนี่ยตาที่มีอะไรเนี่ยตอนที่โทสะมันเกิดขึ้นมันก็มองอีกอย่างหนึ่ง สังเกตดูนะเหมือนกับว่าตาที่เรามองเห็นภาพเนี่ยแล้วแต่สมมติถ้าเราใส่แว่นใช่ไหมถ้าเอาแว่นสายตายาวมาใส่มันก็เห็นอีกอย่างหนึ่งเอาแว่นสายตาสั้นมาใส่มันก็อีกอย่างหนึ่งเอาแว่นผสมสีชามาใส่มันก็วางอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งเอาแว่นดำมามาใส่ก็มองเห็นอีกอย่างหนึ่งฉั้นใดก็ดีจิตของเรามันแน่นอนสัที่ไหนเมื่อมันไม่แน่นอนแล้วอะไรเป็นมาตรฐานในทถ้ำคางความไม่แน่นอนอย่างนี้เราควรจะเอาอะไรเป็น เป็นสิ่งที่ยึดแล้วมั่นคงแน่นอนเนี่ยนะแล้วก็มีแต่เรียกว่าไม่ผิดเนี่ยนะใช้คาว่าอปันนกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าไม่ผิดและเป็นอัอปริหานิยธรรมเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วเจริญอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีผิดไม่มีพลาดถูกต้องอย่างเดียวเจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความเสื่อมอยู่เลยเนี่ยอันนี้จะต้องทาอย่างไร นี่ถ้าเราไปดูพระพิสุสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพิสุสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านท่าน อ, อยู่ในถ้ำกลางลัตทิสมัยพุทธกาลไม่ได้น้อยกว่าสมัยนี้นะสมัยพุทธกาลมีลัตทิใหญ่ๆอยู่หกสิบสองลัตทินะแต่ละลัตทิเนี่ยว่างๆเขาจะมั่งถกกันสภาลัตทิเขาจะมีสภาที่ถกกันประชุมกันแล้วก็พูดคุยกันทะเลาะกันก็มีทะเลาะกันถ้า ปั่นป่วนบ้านเมืองไปหมดก็มีเขาเรียกว่าศูนย์ถกลัทธิแบบนั้นแหะเพราะทุกคนมีลัทธิก็ออกมาถแถลงออกมาถแถลงลัทธิของตนของตนคล้ายๆกับพรรคการเมืองมาถแถลงนโยบายของพรรคอะนะฉันใดพวกลัทธิโบราณก็เหมือนกันเนี่ยนะออกมาถแถลงประกาศลัทธิเพื่อให้อะไรเพื่อให้ประชาชนนับถือเมื่อประชาชนนับถือตัวเองก็จะบริบูรณ์ด้วยลาบสการะและสรรเสริญแต่ทุกอย่างเพื่อประชาชนเนี่ยนะประชาชนคนไหนไม่ทราบเนี่ยนะ ก็ฉันก็ประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันคนที่ถแถลงก็ประชาชนก็เพื่อประชาชนนะก็ประชาชนคนหนึ่งกแล้วกันให้ประชาชนส่วนรวมมาช่วยเลี้ยงหน่อยแล้วกันเหมางนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลักษณะนั้นเราก็ต้องมาพยายามกําหนดศึกษาให้ดีว่าสมัยพุทธกาลจริงๆแล้วเนี่ยลัทธิสมัยก่อนไม่ได้น้อยลงเลยแต่ในท่ามกลางความสับสนทางลัทธิเหล่านั้นเราจะทํำยังไงกันดีแค่ไ ม, มาดูตัวอย่างในพระพิโสสมัยพุทธกาลดีกว่า มหาทุกขคันทศูตรหน้าหนึ่งข้อ194พระนนกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถปินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพิกูุนมากรูปด้วยกันในตอนเช้าท่านเหล่านั้นนุ่งแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ภิกษุเหล่านั้นต่างก็มีความคิดร่วมกันว่ายังเช้าอยู่นักอย่าเพิ่งเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเลยทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชชอัญญะเดรธีเถิดดังนี้ก็คือเข้าไปฟังพวกลทัทธิที่62สิสิพวกนั้นเขาจะว่ากันอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญะเดรธีครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกอัญญะเดรธีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกปริพาชกอัญญาเดรธีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่านะเขาก็อะไรอย่างว่าเจ้ารับที่ก็ขายรับที่ทันทีเลยนะ ก็ขายละทิว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกําหนดรอบรู้กามแม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกําหนดรอบรู้กามกําหนดรอบรู้ตัวนั้นเป็นชื่อของปริญญานะข้อควรกําหนดรู้เนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปริญญาในกามข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรทําปริญญาในเรื่องกามเหมือนกันนะเขาก็นักปริญญาเหมือนกันว่างั้นเถอะนักรอบรู้รู้รอบในเรื่องกามว่างั้นเถอะ พระสมณโคโดมเนี่ยเป็นนักปริญญากําหนดรอบรู้ในรูปได้แม้พวกขพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกําหนดรู้คือเรียกว่าปริญญาในรูปได้เหมือนกันพระสมณโคดมบัญญ <isy> <to> ัติข้อควรทําปริญญาในกําหนดรอบรู้ในเวทนาได้แม้พวกขพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกําหนดรู้คือปริญญารอบรู้ในเวทนาได้ต่างกันไหม